กอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ย่อมปรากฏแต่ถ้าจิตดูโรคเกือกายนี้ละเอียดลงไปแล้วจนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลนักษณะต่างๆแล้วจิตสงบนิ่งลงไปตูความเป็นอัปปนาสมาธิ จนกระทั่งโลกคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมดในตอนนี้ตุคเวทนาก็หายไปพุกคเวทนาก็หายไปยังเหลือแต่โอเบตขาเวทนาพระสุขเกิดอยู่ที่กาย ถ้าจกิดยังรู้สึกว่ากายยังปลากปลูก็มีเวทนาคือสุขและทุกข์หรืออุเบขาปะปนกันไปถ้าหากจิตพิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วมองไม่เห็นกายก็ยังเหลือแต่นามธรรมาคือตัวรู้จตัวผู้รู้เนี่ยสา ม, มารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรมา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 แม้แต่ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิตแม้แต่สิ่งที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไรเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เพียงแค่นั้นอันนี้พอจะหาหลักเทียบในสูตรได้แล้วหรือยังสิ่งที่จะเทียบในสูตรก็คือว่า ยังจินติสมุทัยะธรร ม, มังจับพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมือวามเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมือวามดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกลทัญญาเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมท่าไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง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 ที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณาเป็นจะพิจารณาถ้ารายรักอนิจจงทุกขังอนัตตาก็มีโลกกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้โดยน้อมนึกอวรลกเทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณไม่เชื่อเป็นทุกเป็นอนัตตา อันนี้เป็นวิปัสนาในขั้นปฏิบัติเมื่อผู้มาพิจารณาโลกเวทนาสัญญาสังขานยิน ญ, ญาณไม่เที่ยงเป็นกุกเป็นอนัตตาเมื่อจิตยอมรับในเชื่อมั่นในความเป็นคือตัวเองคนจิตพิจารณาแล้วจิตจะเข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิ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 เมื่อเจตโลตามูลตามรู้ตามเห็นสิ่งทีู่้ไปจิตก็ค่อยสงบลงไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องู้ของของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจจตมือเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกก็เป็นอบายทําจิตให้สงบละเอียดลงไปจนกระทั่ง เกิดโล่เกิดว่ากายไม่เนื้อเนื้อจะเดตัวเดียวล้วนลวนแล้วจึิดก็จะสามารถรู้สึงใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาแต่คําว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาในความรู้สึกในขณะที่จกิดโู่เหกิดยู่จะไม่เน จิตจะมองเห็นได้สิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการณ์อยู่เท่านั้นแต่ไม่มีสมมติบรรัญญัติใดๆที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้จิตเดินในขั้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างละเอียดเมื่อจิตกาหนดโลภแต่เพียงเกิดตับ เ, เกิดตับเกิดตับอู่แค่นั้นโดยไม่ได้เลกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตต า, านในขณะนั้นก็ตาม เมื่อจิตเร่งจ้องมองดูความเกิดจับสู่ภายในจิตจจตก็จะย่ำแม่เจตก็ย่อมจะปฏิวตัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสนาอีกและความรู้สึกว่าจจตเค้นสู่ภูมิวิปัสนานั้นเราจะกําหนดรู้เอาตอนไหนเพราะเมื่อจิตนิ่งลงไปแล้วมีแต่สิ่งที่รู้เกิดจับเกิดจับอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีภาษาที่จะสมมติบัญจัติ เราจะกำหนดที่ตรงไหนว่าเป็นเครื่องหมายของวิปัจนารรม า, านอันนี้จิตก็ได้กำหนดเมื่อจจตบถอนออกมาจากความสงบและความรู้เช่นนั้นพอมาเกิดรับรู้สัญญาในทาง่ายนอกมีความรู้สึกว่ามีกายมีประสาทท่าครบบริบูรณ์แล้วจิตจึงจะ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 ในจุดที่พระองค์จัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริงในเมื่อสัจธรรมของจริงปรากฏเต้นในจิตของผู้ปฏิบัติย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นในธรรมาจากกัปปวัตตะสูตรจึงได้เตียงว่า ยังจิจิสมุตยธรมมังกับพันตังนิโรธาธ ร, รมมันติถึงใดถึงหนึ่งเกิดเล้นเป็นธรรมดาถึงนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อวโปฏิบัติมาทำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้ล้าที่ที่จะพ้นจิตที่ารณาอะไรต่อไปในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความเป็นอื่นได้นลอกจากจิตจะถอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้วจิตจะปฏิวัติตัวไปเองเพราะภูมรู้อันนี้เป็นภูมรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึกเป็นความรู้ในขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติความรู้ความเห็นความเป็นในขั้นนี้เกิดจากอะไร เจจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมดีแล้วีละปริภาวิโตสมาธิมหัปปโลโหติมหานิสังตุสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพาโหติมหานิสังตาปัญญาปริภาวิตังสิตังส ม, มะเทวาอาสเวหิมุตติ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 ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตจิตนี้อาการไหวถ้าเกิดความจินดีขึ้นมาก็เป็นกามาสุขขันธ์โนโยกถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็นอัตติลมะมัดฐานโยกถ้าจะดูในแง่ตันหาถ้ายินดีก็กามาตันหาถ้าติดก็ภวะตันหา ถ้าไม่ยินดีก็วิภาวะตันหาถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาคนิ่งเด่นอยู่แม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความยินได้ไม่มีความติดไม่ยึดไม่ถืออะไรนิโลทะคือความดับก็ปลากดขึ้น ทำว่าในโลดความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึกมันดับจะเพียงอาการแห่งจิเลเท่านั้นแต่อาการแห่งความรู้ซึ่งว่ายังจินติตมุทะยะธรรมมังนั้นยังปรากฏอยู่ที่นี้เพียงแค่ว่านี่สิ่งเกิดดับเกิดดับปรากฏอยู่ภายในจิตเท่านั้นยังมีหลักฐานที่จะพึ ง, งยืนยันอีกว่า ในการใดแหล่ทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเกลียนเพ่นอยู่ในการนั้นความสงสัยของคามนั้นยอ่อมขึ้นไปอนนี้เป็จุดสูงสุดของการปฏิบัติจิ้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามอา่าได้ไปทําความเคลื่อบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นนั้น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 มันก็เป็นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่จิตในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วไปมีความสงบนิ่งเดินอยู่แม่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่แตตัวผู้รู้เนี่ยไม่มีการดับ โคดท่คือผู้โลโพดท่คือผู้ตื่นโคดท่าคือผู้เบิกบัติจะปรากฏเดินทัศต่อเมื่อจิตตัดกระแสะแห่งอารมณ์ตัดกระแสะแห่งกิเลสให้ขาดตื้นลงไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้วไปสงบนิ่งเด่นสว่างสวยัยู่อันนั้นคือธาตุแห้แห่งความเป็นพุท่าปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติ ในเมื่อธาตแท้แห่งความเป็นพุทธะปลากฏขึ้นแล้วธาตแทแห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปลากฏขึ้นอยู่ในจุดเดียวกันเมื่อมีทั้งสองอย่างซ้อมสังฆะคืออริยสงฆ์ก็ปลากรดซ้อมในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นพุโทโธธรรมโมสังโฆเป็นวิสุทธิธรรมสามารถที่จะรวมเป็นเอตามะเต ก, กะธรรม เป็นธรรมดวงเดียวคือสามารถปฏิวัติตนไปสู่โภมจุดโภมธรรมตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติในโภมจุดขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติตัวในสายแห่งโลกีญาธรรมก็ อ, อาศัยเรื่องของนามโลกนี่แหละเป็นเรื่องรู้ผู้ปฏิบัติตัวในสายโลกุตระคือโสดามะ ตาตาคาคามีมักอนาคามีมักธารหัด ส, สมักก็อาศัยลูกกับนามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติโคตรสาเร็จพระอริยบุคคลทั้งสี่จำพวกนั้นโภมจิตจะยากหรือละเอียดกว่ากันนั้นสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของท่าน แต่ความหมดสิเลตจะม่ำเสมอกันหมดแต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้นย่อม้อยมากกว่ากันบางท่านก็เพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนถึงแม้จะนำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาคำพูดไม่มีบางท่านทำจิตให้สงบลงเพียงนิดหน่อยมีปฏิภานความรู้ก ว, าวา้วางฝังมีโวหาร สามารถที่จะโต้ตอบเรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดแล้วออกแม้ในสมัยพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องท่านกัจจายนะว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดสามารถอธิบายหัวข้อแห่งธรรมที่ย่อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กว้างขวางพิจารานได้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพระสาวก ยมมีแคบมีกว้างมีละเอียดมีหยาบ ก, กว่ากันแต่โปูมจิตที่สําเร็จคว า, ามเป็นอริยะบุคคลนั้นมีคว า, ามเสมอการปูมจิตที่สามารถทําอาสะวะเคยเกเลตให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกันแต่ภูมิปัญญาต่างกันดันะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในสเสถระบางท่าน แต่บางทีเราอาจจะไปถามปัญหาท่านข้อใดข้อหนึ่งซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเราบางทีเราก็จะไปเข้าใจจิตหรือไปยกโทษท่านว่าท่านผู้นี้ไม่มีปูกโภมความรู้ที่จะพูดเป็นภาษากับโภมทำภายในจิตนั้นต่างกัน บางท่านรู้มือลักษณะรู้แต่หม ด, ดเกลเ่อนตัวแต่ว่าไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติปัญญิดได้โดยถูกต้องหรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟังเมื่อผู้ฟังไปแก่แต่สำหรับตำดาอย่างเดียวจึงเสือไปยกโทษ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 ขอให้ยึดถือพระพุะทธธรรมประสงค์เป็นสะะนารณะที่สึกถือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นผูเพราะสาวกที่เผยแพร่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้ขอดแบบจากสมเด็จพระสัมาสัมสพุทธเจ้าทางนั้นดัะ น, นั้นการที่ถือภักถือพวกถือลทัทธิแห่งการปฏิบัตินั้นย่อมยังต่งงสอสแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลสยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่น ใครตราดใดที่เรายังยึดถือมั่นในพักในพวกในเราในเขาของเราของเขาอยู่เราก็ายังไม่หมดอุปาทานบางตีขณะ น, นี้โจมจีขณะโน้นคณะโน้นโจมจีขณะ น, นี้อะไรทำนองนี้ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กันจริงๆนั้นขอได้โปรดทำจิตให้เป็นกลางให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประเพิดผิต เข้าใจผิดเป็นบุคคลผู้ที่น่าสงสารผู้ปฏิบัติถูกทำถูกต้องเลยได้ผลดีเป็นบุคคลผู้ที่น้าอนุโมทนาผู้จะทำผิดไม่ใช่ผู้ที่นับปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวเื่องจากด้วยคำพูดจากใายแม้ว่าเขาจะทำผิดก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราไปกล่าวจ่วงจาดด้วยวาจาที่จากพายเป็นการสร้างบาป ก, กรมขึ้นใส่ตัวเองอย่าไปสําคัญว่าคนทําผิดด่าไม่เป็นไรไม่บาปคนทําผิดเราด่าก็บาปคนทําผิดเราตาหนิก็บาปแต่ถ้าเราติเพื่อก่อนั่นได้ปุณแต่ตําหนิเพื่อจะให้เสียหายเสียชื่อเ ส, เสียเสียงนั่นบาปมันบาปอยู่ที่ตรงไหนก็ เ, เรากล่าวคำจาด อรรวาจาเวรมนีคื อ, อมันเป็นอกุศลตัมมบดเป็นวจีพุทธจิตในเมื่อวจีของเรายังอยากยังพุทธจิตสูทนก็ปิดสีนข้อมุสาวะาแล้วคำอยากเป็นขายาแห่งมุสาวเาก็จะนั้นนักปฏิบัติซึงสั ง, งวรระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดี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 เมความเป็นธรรมอย่างแท้จริงกันเราเริ่มตลาดขึ้นมาบ้างเราจะนั้นขอให้สังวรระวังในเรื่องการกล่าวตาหนิสีเตียนซึงกันแล้กกันรือการถือพักถือพวกถือหมู่ถือคณะพระพุทธเจ้าสอนว่าสัพเพ ท, ทำมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แต่เรายังจะมาเถืออาหังการ์มังการมีตัวมีตนมีเรามีเขามีพักมีพู้มันก็ผิดต่อหลักคำสอนของสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้วขอให้ทุกท่านจงกำหนดผิดออกจากสมาธิแล้วพักก่อน ถามใหม่ที่ลบได้ต่อเมื่อเรากำหนดที่เจรนาดูตั้งแต่เริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นแต่จุดทูปเทียนไหวพระสวดมนต์แผ่เลตตากำหนดอารมณ์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 จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เราจะออกจากสมาธิว่าจุดของเราสงบไหมหรือไม่สงบแล้วทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้วเราก็กําหนดโลจุดของเราอีกคือว่าอะไรมันเกิดขึ้นความเิดอะไรเกิดขึ้นเราก็กําหนดโลความเิดอันนั้น ความเครียดนี้มันดับไปเราก็ปล่อยมันไปความเครียดใหม่เกิดขึ้นเรากาหนดรู้เดี๋ยวกว่าตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเองสาหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจ็ดไม่สงบบริกรรมอย่างไรมันก็ไม่สงบก็ควรจะเปลี่ยนเป็นวิธีนี้คือวิธีที่จะนั่งหลับตากว่าตามลืมตาก็าตาม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 ก็หมายถึงจิตสามารถรู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เราเคยนึกคิดว่ามันวุ่นวายมาจ่กอโดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์เราดูอะไรเราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไรในทางตาหูจมูกลล่นตายใจสิ่งที่จะเพิ่งเกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองอย่างคือพอใจไม่พอใจ นอกจเกิดจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีกแล้วก็าหาเรื่องไปเรื่อยๆร่อจนตัวเองต้องเกิดทุกข์เกิดวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสติปัญญารู้เท่าทันเรามองดูอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูรู้อะไรทางจามูกรู้รสทางลิ้นสัมผัสทางกายแม่จะนึกคิดในใจ